การปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่พาดำเนินก็มีการอุรมณ์สั่งสอนให้ถูกต้องตามแนวทางก็ได้รับจากท่านอยู่เสมอหลับทหรับวินในตามตํหลับตํานาก็มีเราก็เคยได้จํเนียกได้ศึกษา ทางตาก็ได้เห็นท่านพาดำเนินทางหูก็ได้ยินเสียงการอบรมสั่งสอนทางใจซึ่งเป็นนักคิดอยู่แล้วหากเราจะน้อมมาคิดทางอัดทางธทมก็ได้คิดเต็มหัวใจเช่นเดียวกับกิเลสนำไปใช้นั่นเองก็ไม่เห็นมีอะไรขัดข้องกัน ถ้าเราไม่ยอมให้สิ่งต่ำทามทั้งหลายเหล่านั้นมาคว้าเอาหัวใจไปเป็นเครื่องมือของมันเสียตอนนั้นเราก็นำมาคิดเพื่ออาไเพื่อทำได้เช่นเดียวกับมันนำไปคิดเพื่อประโยชน์ของมันการส่อแสวงหาความดี ก็ยอมได้ขัดได้แยง้งหรือได้ต้านทานกับสิ่งไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีอยู่รอบด้านรอบตัวของเราปราที่ได้เป็นสาระของพวกเรามีพุทธังธํามังสังขังสันังกฉามเป็นหลักสำคัญ นูนแล้วแต่ท่านฝึกท่านทรมานอย่างหนักไม่ใช่อย่างธรรมดาเรามีแต่ความมาักง่ายความซะเล่าความต้องการให้สุขก่อนหามมันเลยกลายเป็นลักษณะขายก่อนซื้อไปเสียผลประโยชน์ที่จะพึงได้จริงไม่ค่อยปรากฏหรือไม่ปรากฏ สอนก็สอนกันมามากมายถ้าจิตไม่ดื้อไม่ด้านชินชาไปเสียอย่างเดียวแล้วเราแน่ใจว่าต้องได้หลักด้เกียนจากการประพฤติปฏิบัติทำต้งหลายนับแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปความเยือบเย็นนั่นน่าจะได้เพราะการฝึก ความฉลาดทางด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันอนนี้มันไม่ได้เรื่องได้ราวนี่ก็เท่ากับกิเลสมันห้ามหันเราอยู่ตลอดเวลาหาความเป็นธรรมเสร็จแก่ตัวเองไม่มีมีแต่เรื่องของกิเลสเรื่องเหยีายบย่ำทําลายตัวอยู่เสมอแล้วจะเอาของดบของดีมาจากไหน ้อนก็สอนมามากต่อมากหลายปีหลายเดือนแล้วสอนหมู่สอนเพื่อนก็ดีกูมาอยู่นี่ก็ดูดนานๆนนก็มีแต่สำคัญที่มาด้วยความตั้งใจจริงๆสนใจจริงๆในการสำเนีรศึกษาและการประพฤติปฏิบัติตัวผลก็จะไม่นอกเหนือไป จากการปฏิบัติเหล่านี้ผนว่ากูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็เคยทำอย่างนั้นมาและได้ผลมาแนะนำสอนพวกเราในเรื่องความหลักลอยในใจนี่สำคัญมากใจไม่มีหลักมีเกณฑ์ล้วนเร่เร่ร่อนทั้งๆที่มีหลักยึดมันก็ไม่สนใจจะยึดจะเกาะ ชาวพูดเราทิ้งเหลวไหลทัข้างทีบถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกด้วยก็เอกแต่ศาสนาคนผู้นับถือก็ไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรกลายเป็นคนรวนเลยหาหลักยึดไม่ได้เพราะว่าอะไรก็หลงไปตามเขาคว้าไปตามสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวน้ำเหลวไปอย่างนั้นเพราะ ขาดความสนใจเนื่องจากเอาความสนใจทุ่มเทไปในสิ่งอื่นหรือสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรเยอะมากต่อมากสิ่งที่เป็นสาระจริงไม่ค่อยมีหรือไม่มีภายในใจใครว่าอะไรใครทําอะไรมาก็เชื่อเขาเชื่อไปเชื่อไปเสียแล้วเชื่อก็ไม่จริงอะไรก็ไม่จริงทั้งนั้นเนีะ เลวๆไหลๆหิ่งทุกวันนี้ศาสนายิ่งมีสิ่งแทรกซึมมีสิ่งทำลายเอามากเกี่ยวกัวในพวกเดียวกันเพศเดียวกันนี่แหละตัวทำลายทำขันมากเพราะจิตที่เป็นตัวฆ่าสิ่งที่เป็นฆ่าสิ่อยู่ภายในจิตนั้นมันอาศัยเพศอันนี้ อาศัยเพศสมณะเนี่ยออกทําลายได้อย่างองอาจกล้าหาญได้อย่างเปิดเผยมองไปที่ไหนมันก็เห็นอยู่ชัดๆถ้าปุ๊บที่ต่างคนแต่มีความสนใจจริงจังกับพุทธศาสนาแล้วทําไมจะไม่ทราบว่าอันไหนตอมอันไหนจริงอันไหนเป็นข้าสึกอันไหนเข้ามาทําลายอันใดเป็นขุนทําไมจะไม่ทราบหัวใจดวงเดียวกัน เพื่อความคิดเช่นเดียวกันเรียนจากอัดจากทำจากคำภีรแห่งพุทธศาสนาอันเดียวกันมันแยกมันแยกที่ตรงไหนมันปลอมตรงไหนมันจริงตรงไหนทําไมจะไม่ทราบถ้าไม่หลับตาอยู่เสียอย่างเดียวเท่านั้นมันก็ช่วยไม่ได้หรือ ถ, ถ้าศาสนา ก, ก็จมไปจมไปหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้มีแต่พวกเดียวกันทําลายกันเตะกันยันกันอยู่อย่างนั้นหาผู้จะส่งเสริมเป็น ความดีความดีขึ้นมาเพื่อเป็นสาระแก่ตนและส่วนรวมมันไม่มีเนียมีแต่เรื่องทำลายกันใครก็อยากอวดดีอวดเก่งมีแต่เรื่องอิเลสทั้งมวลหาเรื่องทำไม่มีจะเอาคำหยุดความเปริญมาจากไหนใครจะประกาศว่าตนเก่งขนาดไหนก็ตามเถอะถ้าประกาศด้วยวิธีที่เป็นฆ่าสิทธต่อทำแล้วมันจะต้องเลวลงเสื่อมลงทำลายลงไปทั้งเขาทั้งเราคือทั้งตัวผู้ประกาศนั้นโดยไม่ต้องสงสัย เอาความไปรุ่นมาจากไหนก็กิเลสซึ่งเป็นค่าสิทิ์ต่อธรรมอยู่แล้วมันจะพาโลกพาสงสารให้มีความไปรด่นลุ่งเรืงไปไหนถ้าพาความไปรุ่โลกให้ความไปรุ่นรุ่งเรือง เ, เพราะมันแล้วก็มันครอบหัวใจอยู่ทุกๆดวงอยู่แล้วนี่บนกันว่าทุกข์ว่าลําบากว่าทร ม, มานอะไรกันนี่แหละเรื่องของมันเป็นอย่างนั้นมีรอบด้านเวลา ศาสนาก็ล่วงมาสองพันห้าร้อยกว่าปีนี้ยิ่งเห็นเขาชัดเขาชัดเขาไปเพราะความสนใจที่จะหาของจริง น, นั้นมีน้อยยิ่งกว่าเรื่องจอมปลอมเรื่องอวดดิษอวดเด็ดอวดหาเหตุหาผลไม่ได้แต่อยากดิบอยากดีอยากดงอยากดังเรื่องของกิเลสมันหนักยากอย่างนั้นแล้วมันก็ทําลายไปด้วยวิธีนั้นเองทําลายทั้งตัวและทําลายทั้งส่วนดวงเงิน ลองทำเนาะไม่อยากอวดอยากมปหาอะไรอวดทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความจริงมันเกิดประโยชน์อะไรถ้ามีความจริงอยู่ในตัวแล้วอวดไม่อวดก็มีก็จริง ศาสนาไม่หลักธรรมชาติจริงแล้วไม่เป็นภัยตอ่อกู้ใดเพราะนั้นใครจริงมาแอบอ้างได้อย่างง่ายดายเอาศาสนาไปเป็นเครื่องมือและทําลายกันเวลาจะทําลายไม่ไม่เอาเรื่องของศาสนาไปทําลายเอาเรื่องของกิเลสแต่อาศัยศาสนาเป็นเป็นโลกบางหน้าเพราะโลกทั้งหลายนับถือโลกทั้งหลายลงใจ เ็นยขขอความเป็นธรรมอย่างนี้เป็นต้นมันขออะไรความเป็นธรรมต่างคนต่างหาความเป็นธรรมไม่ได้จะขอความเป็นธรรมมาจากไหนมันมีแต่พวกอธรรมด้วยกันนกขอความเป็นธรรมนั้นมาเอาความเป็นธรรมมาจากไหนถ้าต่างคนต่างเป็นธรรมแล้วมันจะหาขอกันที่ไหนไม่ต้องขอเนี่ยเรื่องนั้นก็มีเท่านั้นอิยนยนเข้ามาถึงผู้ปฏิบัติลากนกัน คือวันนี้เราก็มุ่งต่อตัตธรรมก็คือขอความเป็นธรรมแต่การคือปฏิบัติเป็นอีกอย่างความเคลื่อนไหวของจิตเคลื่อนไปอีกอย่างไม่กกงตามแถวตามแนวแห่งความเป็นธรรมมันก็หาความเป็นธรรมไม่ได้นอกจากเป็นกิเลสไปหมดทุกอาการที่เคลื่อนไหวแห่งความคิดความปรุงตลอดถึงวาจาหรือกายความประพฤติแสดงไปเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนั่น เามันขอความเป็นธรรมแต่เกิดเยตนาที่คิดขึ้นชั่วขณะแต่เวลาก้าวเดินมันเป็นเรื่องของความเป็นกิเลสทั้งมวลจะหาความเป็นธรรมมาจากไหนเป็นสมาธิธรรมสมาธิธรรมจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดท่านก็สอนไปแล้วแต่เราไม่ดําเนินต่างหลักของหรือทางของสมาธิธรรมมันก็หาความสงบหาความตั้งมั่นไม่ได้ใจิตใจคนเราพระเรา หาผู uh huh. ้บายวิธีถุกทรมานกันหลายด้านหลายทางหลายแง่หลายสันหลายขมแล้ววิเลตมันจะเหนือธรรมะไปได้อย่างไงก็ธรรมะแท้ๆเป็นเครื่องปราบวิเลตไม่มีอะไรจะปราบวิเลตได้ลงคอยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าก็พาปราบมาแล้วสอนโลกกัดเทือนโลกทานมาได้เท่าไหร่เฉพาะองค์ปัจจุบันเหล่านี้ได้ 2,500 กว่าปีมาแล้วนี่เรื่องของธรรมที่ ประหารกิเลสทั้งนั้นปราบปรามกิเลสทั้งหมดถ้าเดินตามหลักที่ท่านสอนที่ท่านดันเนินมาแล้วได้ผลมาแล้วทําไมจะไม่ได้อันนี้มันไม่ได้เรื่องนั่นสิปฏิสตังก็ไม่เนีเป็นหน้าเป็นหลังอะไรเลยฝึกมันหลายด้านหลายสรรหลายคมหลายอุบายหลายวิถีการถึก เราก็ทราบอยู่แล้วว่ากิเลสมันฉลาดแหลมคมมากนี่เคยสอนมาไปดูกี่ครั้งกีห่หนอะไรจะแหลมคมแยบคายยิ่งกว่ากิเลสในโลกกาันี้มีแต่กิเลสเป็นเจ้าอาํานาจภาพความฉลาดแหลมคมของมันนั่นเองในะท่าเป็นเจ้าอาํานาจก็ต้องผิดธรรมขึ้นมาใช้เพื่อปราบกิเลสก็ปราบได้อย่างพระพุทธเจ้าและสาวกอารหันท่านนั่นก็เห็นตัวอย่างกันอยู่นี่ นำมาใช้ในทางที่เป็นธรรมก็เป็นธรรมภายในตัวของเราภายในใจของเราเองหนึ่งทำความเพียรก็มีแต่กิริยากิริยาอาการใจไม่ทราบไปไหนหาความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความมีสติสตังไม่ได้ไม่มีในทางโยมไปยังไงทุกวันนี้ มันไม่ด้ดูเป็นดวงเสือไปหมดเลยวเหรอมาอยู่นี่มาอยู่กันอะไรนั่งสมาธิมันได้ถึงห้านาทีไห่เดินจงกรมได้พอสามสิบนาทีไหมผมอกจะแตกแล้วนะอยู่กับหมูกับเพื่อนหนักมากทีเดียวมองดูแผลบแผลบแผมันเอาขวางตาขวางหูอยู่นั่นแหละมันทําไมมันถึงขวางเรารับหมู่เพื่อนไว้ด้วย ความเมตตาสงสารและแนะนําำต่งสอนด้วยความเมตตาแท้ๆเห็นได้มันถึงขวางหูขวางตาพิจารณาบัางดิหมู่เพื่อนอย่างไงมันขวางธรรมมันก็ขวางตาทีเล่าคิดเป็นธรรมแท้ๆครับหมู่กัเพื่อนดูด้วยความเป็นธรรมบกพร่องตรงไหนตรงไหนมันมีแต่เรื่องกี่เรื่องขวางความบกพร่องทั้งนั้นมันจะไม่ขวงังไง ฮอสคิงเหล่านี้ได้เดินดําเนินมาแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ได้ดําเนินมาแล้วมาคุยโมเอโอวดเพื่อนฝูงเฉยๆมันได้กล้ามาดําเนินมาทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นผู้น้อยก็เคยมาแล้วจนกระทั่งในเป็นผู้ใหญ่โดยความเสียสันปัญยออะไรก็แล้วแต่ถึาพิงขนาดนี้วัยกับวัยใหญ่และแก่แล้วขนาด น, นหมูเพื่อนมาถือเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยก็อยู่ความเป็นผู้ใหญ่ตามสมมุนิยมหรือตามหลักธรรมชาติมันก็เป็นด้วยวัย ดำเนินมาหมดแล้วเป็นยังไงหมู่เพื่อนมันเป็นยังไงทำไมจะไม่รู้มันอยู่เลยเกๆกังดันด้านโอ้ยดูไม่ได้นี่จะว่าไงคนนั้นจะตายแล้วนะนี่ความเฉลียวฉลาะมองตรงแงไหนมันก็ไม่เห็นแสดงมาให้เห็นแล้วก็จะปฏิบัติจิตถ้ามันมีความสงบเยือกเย็น พอหน้าของสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมได้อย่างไงนอกจากเป็นเรื่องของกิเลกชุดลากไปตลอดเวลาทั้งๆ ท, ที่ทําความเพียนและทราเข้าใจว่าตนทำความเพียนอยู่เท่านั้นมันจึงไม่เห็นเหตุเห็นผลอะไรสอนก็สอนไปจนไม่ให้ไม่ให้สอนอะไรอีกนั่งหาวันนี้กําลังวังชามันก็ลดลงลดลง ดูไปอยู่ไปเท่านั้นเองฟูดตามความจริงอย่างนี้อ่ะมันไม่ได้สนใจกับอะไรแล้วเวลานี้มันหดก็ามาหดก็ามาทําประโยชน์แก่โลกความเมตตาเมตตายอมรับความเมตตาของสาลแต่เครื่องมือที่จะใช้ทําผลประโยชน์แก่โลกตามความเมตตานี้มันลดลงลดลงมันไม่เอาไหนเลยครับหดเข้ามาหดเข้ามาด้วนเข้ามาด้วนเข้ามา การแนะนำสั่งสอนอเพื่อนอมันไม่พร้อมแต่แล้วร่างกายค่คอยแต่จะพังครกยก็รุมก็ามามาแล้วไม่ได้หน้าได้หลังอะไรมีแต่หนักหนักอยู่ตลอดเราแปลกใจามาก พุทธศาธสนาที่พระองค์งแสดงไว้เนี่ยแสดงเรื่องมากเรื่องผลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องมีมุตติพลนทั้งนั้นไม่มีอะไรบกพร่องเลยนั่นทําไมผู้ปฏิบัติเรามันตึงจะคว้าน้ําเหลวคว้าน้ําเหลวก็ให้ชีเด็ดพักคว้ามันคว้าน้ําเหลวสิถ้าทำพักคว้าทำไมจะไม่ติดมือขึ้นมานี่สําคัญตรงนี้หัดชิดอ่านสิพัตีปัญญามีอยู่ดูทําไมอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่ง ตื่นอะไรตื่นเมื่อตื่นแจ้งตื่นปีตื่นเดือนตื่นวันตื่นคืนตื่นอะไรมันมีมืดมีแจ้งมาตั้งแต่กลับไหนกันในมันได้ผลในประโยชน์อะไรความคิดความปรุง ก, การกระทําของตัวเองต่างหากจะทําให้ล่มจมเสียหายก็ดีทําให้เจริญรุ่งเรืองก็ดีมันเรื่องของเรานี่ต่างหากไม่ใช่เรื่องของมืดของแจ้งดินฟ้าอากาศและแน่ธาตุต่างๆอันใดเลยนอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเป็นรากฐานที่สคัญที่จะสร้างความดีและความล่มจมจะตนไม่มีเท่านี้ ดูลงไปตรงนี้เจ้ทำอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่อื่นไม่อยู่กับเมื่กับแจ้งวันคืนปีเดือนอยู่ที่ตัหัวใจนะ่ะยิ่เลศมันบีบอยู่หัวใจนะ่ะมีมากมีน้อยแสดงขึ้นที่ใจใหเห็นอยู่ชัดๆทำก็เกิดขึ้นที่นั่นผิดขึ้นได้ที่นั่นทำไมไม่มองดูตรงนั้นทำจิตให้สงบ หรือจะบริกรรมคำใดให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นด้วยความยืดยาวไปสักหน่อยพอให้สืบ เ, เนื่องกัน<ม>เพื่อจิตจะได้มีความสงบลุ่มเย็นมันก็ทําไม่ได้ปล่อยให้จิตเรศมันลากไปลากไปเหยดทั้งทังที่มันก็เคยลากอยู่ตลอดเวลาแล้วทําไมจึงเพลินกับมันคล้อยตามมันตลอดถ้าไม่คล้อยตามมันจะลากไปไม่ได้ถ้าไม่เชื่อมันไม่คล้อยตามมัน มันจะมันจะลากไปไม่ได้ถ้าลงได้เห็นว่ามันมันเป็นค่าศึกต่อตนอยู่แล้วยังไงก็ต้องฟัดกันจนแหลกทำได้ในเวลาหนึ่งการหนึ่งอิริยาบถหนึ่งจนได้น่ะได้สติสตังไปเรื่อยๆคนเหาท่านนี้มีงแต่เรื่องมันหลอกความปรุงมันปรุงยังไงคิดดูสิมาังแต่วันเกิดมันปุงเรื่องอะไรบ้างที่ว่าสังขารสังขารมันปุงเรื่องอะไรสัญญามันหมายนู่นหมายนี้มันหมายเรื่องอะไรก็นี่ก็อาการของจิตเท่านั้น มันวาดภาพขึ้นมาหลอกเจ้าของหลอกเจ้าของเป็นเหมือนกับเป็นของจริงของจริงขึ้นมามอมว่ามันหลอกหลอกอยู่ทุกเวลาเวลาหลอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทําไมถึงตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ <c oughs> ชินชาเลย <c oughs> <c oughs> นี่ที่มันน่าแปลกใจออกมากมายเ <c oughs> อ้าี้ด <c oughs> <c oughs> นี่วันวัน เนี่ม่หนนี่เหมือนไปเขาที่ฟังธรรมดีพระท่านกลังเถีนฟังธรรมอย่าไปยุ่งของมันไอ้ผนเราจะสูงของมันยุ่งของมัน ตัองดูสิจิตมันหลอกหล่ออยู่ตลอดเวลาให้มีความเบื่อไม่มีความวอิม่ ม, มพอพราะใจให้มันหลอกอยู่ตลอดไม่เห็นโทษของมันนี่แหละที่ไม่เห็นทำเพราะอันนี้เองจึงระงับมันไม่ได้แล้วเอาสิ่งความปรุงอันจริงที่จะแก้กันขึ้นมามันก็ไม่ยอมรับ พอกี่นาทีเลยเป็นคําบริกรร ม, มเงีย้ยเป็นบริกรรมนี้เป็นเป็นความปรุงเหมือนกันเป็นสังขารเหมือนกันแต่แปลเป็นสังขารฝ่ายธรรมสังขารฝ่ายมรรคความปรุงโดยลาพลังของจิตเป็นสังขารฝ่ายสมุ ท, ทัยพิเรพดันหนักการให้คิดให้ปรุงอันนี้เป็นเรื่องของธรรมบริกรรมนมันก็ไม่ได้เรื่องใดราแล้ยวยก็เผลอไปตามมันก็จนได้เนี่ย้องาความสงบที่ไหน มันก็ไม่สงบเลยประการหนึ่งก็ร่างกายมีกําลังมากอมันก็ทําลายเหมือนกันความภาคเพียรเวลาร่างกายมีกําลังมากตั้งสติไม่ได้คําบริกรรมเอาอยู่ต่อหน้าตานี่ก็ล้มไปต่อหน้าตานมันเคยเป็นเรานี่ผ่านมาแล้วทั้งนั้นผมผมได้ทํามาแล้วผ่านมาแล้ว จึงได้ต้องฝึกหลายเล่หลายเหลี่ยมหลายสันหลายขมหลายอุบายวิธีจะเอาเป็นความแน่นอนตายตัวทีเดียวไม่ได้เรื่องการฝึกต้องเอาเหตุเอาการเอาเอาเหตุผลหรือเอาสภาพการต่างๆที่มันปรากฏขึ้นในใจซึ่งจะต้องฟัดต้องเหลี่ยมกันในแง่ใด น, น, นั่นเอาคงนั้นพูดว่าแน่นอนไม่ได้เวลาจะใช้ปัญญามันก็ห่ามี นี่เวลาจะแช่ทางสมาธิก็เอนมันพลิกไปพลิกมาอยู่ขอให้มันเป็นธรรมเถอะถ้ามันเป็นธรรมแล้วมันก็จะไม่สงบมันก็ฉลาดมันก็เป็นอุบายแล้วเข้ามาสู่ความสงบกันได้อันนี้มันไม่มีนี่ปล่อแต่กิเลสมันฟัดมันเหวี่ยงด้วยความคิดความปรุงสัญญาอารมณ์ผ่านไปกี่ปีกี่เดือนแล้วมันก็อบ มันก็อุ่นขึ้นมาใหม่ๆสดๆร้อนๆให้ตื่นเป็นบ้าอยู่นั่นนี่มันหน้าทุเรศตรงนี้นะหรือว่าอนาคตมันมันก็เป็นลมเป็นแรงอีกเหมือนกันเป็นอารมณ์ไม่มีความจริงมันก็ปรุงมันหลอกอยู่อย่างนั้นจนได้ในขณะหนึ่งๆมันอยู่ด้วยภาพหลอกภาพหลอนอันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ด้วยความจริงิ พรไม่เห็นโทษของมันถ้ามันได้สงบแผานแนวลงไปแล้วมันก็เห็นขุณอันนี้แล้วก็เห็นโทษของความวุ่นวายความหลอกลวงนั้นในขณะเดียวกันนั่นแหละมันไม่เห็นเพราะจินไม่เป็นคาว่าสงบเราจะไปคาดไปหมายได้ยินท่านว่า สงบอย่างนั้นสงบอย่างนี้ก็จะเป็นหมายให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกมันต้องเป็นหลักธรรมชาติเกิดขึ้นกับตัวเองจะสงบแบบใดวิธีใดเจ้าของจะรู้เจ้าของเองนั่นแหละเป็นความถูกต้องเพราะจิตจลิตนิสัยทั้งคนไม่เหมือนกันมันสงบแบบไหนก็ให้รู้มันสงบมันไม่ยุง่ง ผมมันเหนื่อยนะทุกวันเพียงพูดไปตอนนี้มันก็หน่อยมันไม่เหมือนแต่ก่อนพูดไปพูดไปก็หน่อยถ้าเหนื่อยแล้วก็ยกทำขึ้นมาที่จะพูดก็เหมือนยกสูงตั้งทอน น, นอยากให้หมูเปื่อนได้รู้ได้เห็นนี่ก็ อ, อยากเต็มหัวใจเหมือนกันแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างที่ว่านี่ าอำนาจฝ่ายต่ํามันรุนแรงฝ่ายทำเครื่องปรับมันมีกำลังน้อยก็ถูกมันลบลายไปเสียหมดนี่พากันตั้งอกตั้งใจหลักเกณฑ์ก็มีอยู่ทังที่พูดแล้วนั้นไม่จะทําแบบหลงๆแรงๆมันนัาเป็นแบบลมๆแรงๆจะพะในหัวใจของเองต่างหากหลักเกณฑ์มีอยู่ไม่ใช่เราไม่มีหลักมีเกณฑ์มี ครูวาจากรอนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมถูกต้องตามอาัตตามธรรมแต่ใจมันหนักทะเลสายไปตามเรื่องของมันต่างหากไม่ใช่เราไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะพูดปฏิบัติแล้วคว้านโน้ น, นคว้านี้ไปอย่างนั้นมีหลักเกณฑ์มีอยู่แล้วแต่กิดไม่ยอมรับหลักเกณฑ์นั้นสิมันถึงได้เหลวไหลอยู่เวลานี้ โลกมันหนาแ น, น่นขึ้นภายในกิเลสโอ้ภายในใจโลกก็คือกิเลสนั่นแหละมันหนาแ น, น่นขึ้นทุกวันทุวนมันไม่ได้จางลงไปนี่ที่จะยิ่งทําให้เราได้รับความทุกข์ความลําบากข้อถอยอ่อนแอไปหมดนั่นแหละนี่คิดวันหนึ่งวันหนึ่งเรื่องคิดเรื่องวัตจักวัต วัตถุน์ของสัตว์โลกของเขาของเขาของเรามันอดไม่ได้มันต้องคิดมองรู้อะไรายนี่มันหนักเป็นทน้งมันเองมันคิดสัมผัสสัมพันธ์อะไรมันหนักเป็นไปในหลักธรรมชาติั้งมันแต่มันเป็นประทางด้านธรรมะล้วนๆมันไม่เป็นในด้านเด็กปัญหาเมื่อนิ่งแต่ก่อนที่มันเคยเป็นมันมีแตกต่างกันที่ว้น เวลามันหมุนเพราะต้องทำก็อย่างที่เคยพูดมันเป็นเป็นแต่ต้อตงทำล้วนๆสัมผัสสัมพันธ์อะไรมันอดมันหนึ่งว่าอดมันก็ไม่อดมันทั้งเป็นของมันเองเหมือนน้าทับน้ํำซึมทั้งไหลไปคิดพิจารณาไปถึงเนื่องวัฏจักรของจิตจิตทุกดวงเป็นอย่างนั้นทั้งหมดจะมีต่างกันว่าหนาบางกว่ากันนี้อันหนึ่ง หนามากหยาบมากแล้วปานกลางบางเบาบางต่างกั น, นท่านว่าท่านว่าวัตวน ม, มันมีระยะทางใกล้ไกลก็คือความหยาบมากหยาบน้อยและละเอียดมาเป็นลำดับลำดาเนาี่ยทำให้วัตวัตวนของใจนี้ ย่นเข้ามาย่นเข้ามาคือความเกิดแก่เจิดตายนี้ย่นเข้ามาแทนที่จะเป็นหมื่นอย่างนี้ก็ขาดหมื่นถ้าหมื่นชาติอย่างนี้นะก็ขาดหมื่นชาติเข้ามาย่นเข้ามาเป็นพันเป็นร้อยเป็นสิบเข้ามาถึงเป็นเอกภิชีอย่างที่ว่าท่านพูดทั้งนองพโสดาเนื่อ ง, งหลักธรรมชาติของจิตนิม แมมเวลาเราจะพิจารณาเข้าไปแล้วมันสลดสเสมอจริงๆนะมิธรรมชาติอันหนึ่งที่มันหมุนจิตถ้าให้จิตเกิดแก่จิตตายเนี่ยปิดไปพร้อมปิดตัวไปพร้อมไปพร้อมให้สัตว์ทั้งหลายรู้เงื่อนไม่ได้เลยนี่สิจึงว่ามันแหลมขมมากธรรมชาติอันนี้แล้วในที่วิกฤตเลยไม่มีใครจะรู้ได้เลยธรรมชาติของพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์นรกพระสาวกยังได้ยินได้ฟังก่อนแม้จะจะไปรู้ด้วยสันติติโก ขอตัวเองก็ตามแต่ได้เงื่อนจากพระเจ้ามาก่อนสําหรับผู้เองไม่ได้ทรงศึกษาเรียนจากใครที่เหมาะสมควรจากการฆ่ากิเลสสังหารกิเลสวัตะวบ น, นี้เลยอยงนี้วัศย์สยามผูทรงรู้เองเห็นเองก็พอกทรงขิดคนเองกิตแต่และดวงละดวงมันมากขนาดไหนอืมเจ๊หาประมาณไม่ได้เลยแล้วทุกดวงเว้นนี่เราก็มีเว้นตะกิด พระพุทธเจ้าพระราหันตอนนั้นอันนั้นไม่ไม่นับเข้ามาในประเภทในวัตวนนุนี้เพราะอันนั้นนอกโลกแล้วโลกวัตวนิเนี่ยนอกจากนี้ไปหมดแล้วจึงไม่นับเข้ามาถึงเรายกเว้นกับว่ากันแต่อย่างนั้นอ่ะเพราะคนอาจจะไปคิดเรื่องกิจทั้งท่านอยนั้นอย่างนี้จะดึงเข้ามาในในวัตวนนุนี้จึงยกเว้นไว้เพื่อให้ทราบไว้อย่างนั้นเท่านั้นเอ ง, งนั้นมันหมุนอย่างนี้หมุนเกิดหมุนตายหมุนอยู่ตลอดเวลา หมุนไปทางต่ําำก็ช้าละโมกให้รับความทุกข์ความทรมานมากที่สุดก็มีอย่างที่ท่านแสดงไว้นรนกอเวจีอะไรมีหลายขั้นหลายภูมิล้วนแนวตั้งแต่เป็นที่บรรจุของสัตว์ที่มีกรรมหยาบหนาสาหัวเป็นลําดับลาดาขึ้นมาจนกระทัง่งขั้นมนุษย์เทบุตรเทวดาอินพรมสูงลงไปสูงลงไปนี่ก็ล้วนแนวตั้งแต่จิตที่หมุนเหมือนกันหมดมันเกิดต่างกัน เกิดทางดีทางชั่วถ้าไม่ใช่ทางด้านปฏิบัตินี้จะมองไม่เห็นเลยกับไหนกันใดก็ต้องเป็นจิต ด, ดวงหมุนอยู่ตลอดเวลามีท่าปฏิบัตินี้เท่านั้นแล้วมีความดีพูดง่ายง่าคือความดีทุกประเภทนั่นแหละเป็นเครื่องเสริมมาเข้ามาเหมือนกับเครื่องมือสังหารวัตจักรมีหลายประเภทรวมตัวเข้ามาเป็นพลังอันสาคัญแล้วแล้วก็ไหลรวมเข้าสู่จิจ ต, ตะทวนา หาปฏิบัติวิตตภาวนารวมลงตรงนั้นนั่นแหละตรงนี้ตรงที่จะรู้เรื่องความเกิดแก่เก็บตายของตัวเองเมื่อทราบเรื่องความเกิดแก่เก็บตายของตัวเองว่าเป็นยังไงมาอย่างไรจนกระทั่ ง, งละได้ขาดกลายเป็นจิตวิวัตจิตคือไม่หมุนอยู่แล้วทําไมถ้าไม่ทราบเรื่องจิตแต่ละดวงละดวงของสัตวโลกที่เต็มไปด้วยความหมุนเวียนนี้ล่า ต้องทราบได้อย่างประจักษ์ใจเพราะเป็นใจดวงนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วบัดนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะเหตุอะไรก็ทราบด้วยว่าเพราะเหตุนั้นนนัาพระพุทธเจ้าของเ่าอเนกชาติสร้างสราหลังสร้างไทยสร้างอานิบสั่งอากัลลังเวสั่นตัวอุค้าชาติปูนปุนันแสดงไว้ในปฐมปฏิการที่จะตดสในปฐมปฏิการท่าน เยอะเยอวิชาตันหาที่สร้างบ้านสร้างเรือนคือภพชา ต, ต่างๆให้เราบัดนี้เราได้ทำลายให้สิ้นไปหมดแล้วไม่มียี่เด็ดตันหาตัวใดที่จะสร้างภพสร้างชาติให้เรานั่นว่าคิดทั้งเราถึงแล้วซึ่งภายในผานนั่นท่นพูดไว้ในอนเนกชาติสังสารางังนั่นแ่ละเป็นพระพุทธพจน์เป็นพระอุทานของพระพุทธเจ้าเองนั่นแหะท่านรู้ด้วยเหตุนั้นทีนี้บรรดาสาวกปฏิบัติทำไมจะไม่รู้อย่างพระองค์ละ่ะ เมื่อมันถึงขั้นรู้แล้วปิดไม่อยู่ต้องทราบแบบเดียวกันยอมรับพระพุทธเจ้าเพราะยอมรับเจ้าของยอมรับมากิตตรงนี้พ้นแล้วจากความหมุนเวียนและยอมแล้วทราบและชัดว่าแต่แต่ก่อนมันเป็นพราะอะไรพาให้หมุนเวียนนี่ก็เพราะธรรมชาติที่ว่ายี่งเดชะหาสะระนะั่นท่านแสดงไว้ในะอเ น, นกชาสังสารหลังอืมอิสรข้าราชกกิตกตังตันห่านังกัยมัจฉา ตันหายังนต น, นตันหาคืออะไรความทะเยอทยานความอยากความยิ่นหล่นน่นะ น, นี่แหละเป็นยางเหนียวเป็นตัวสำคัญที่สุดพาให้จิตมันหมุนพอได้ถูกทำลายซะหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงแล้วจิตเราถึงแ น, นซึ่งพญิผ่านคือความไม่ปรุงอะไรอีกแล้วหมดช่วยอะไรหมดสาวกทั้งหลายก็รู้อย่างเดียวกันไม่มี พระองค์ใดสาวกองที่จะไปรู้อย่างอื่นรู้แบบเดียวกันหมดนี่เมื่อรู้เจ้าของเป็นอย่างนี้จิตเจ้าของเป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถจะเรรู้จิตทั่วไปได้เช่นเดียวกับเรารู้เรื่องของเราเราเคยเป็นมาอย่างไรอย่างไรแต่ก่อนจิตเหล่านั้นเคยเป็นม า, ยาอย่างไงไงเนี่ยเวลานี้จิตเราผ่านแล้วพ้นแล้วไม่ไปเป็นอย่างนั้นอีกแล้วก็ทราบจิตทั้งหลายยังไม่่าจิตทั้งหลายที่ยังไม่ผ่านเพราะยังมีนั้นฝังอยู่แน่ กรบอกซะชัดอวิชชาตันหาเหนียวยางเหนียวตัวนี้ยางอันนี้แหละที่มันฝังจิตเป็นนามาทำด้วยกันกับจิตจึงมองไม่เห็นถ้าไม่ใช่ญาณวิถีถ้าไม่ใช่ปัญญาถ้าวญาณญาณคือละเอียดมากญาณังอุตตปาริปัน ญ, ญาณอุตตปาริวิชาวุตตปารอาร โ, โกตุตปานี่คือละเอียดซึ่งลงไปโดยลำดับถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาจนกระทั่งถึงวิชาวุตตปานี่แล้วก็อารมโกตุตปานนี่คือสว่างไปหมดเลย รู้หลอกไปหมดนะนี่นจะมีใครมารู้ได้อย่างนี้ก็มีพระพุทธเจ้าีเรียกว่าศาสด า, า, าองค์เอกศาสน า, าเอกนะถึงเหตุถึงผลไม่มีคำว่าหลอกลวงไม่มีคำว่ารูปคำกร่งเป็นความจริงล้วนรู้จริงเห็นจริงนี่แหละจิตวิญญาณที่ผ่านอันนี้ไปได้แล้วก็ ไม่พูดอีกได้เลยไม่พูดพูดไปทําไมมันมีปัญหาเนี่ยไม่มีเหตุไม่มีปัญหาพูดมาทําไมไอ้พวกเจ้าปัญหาคือจิตดวงที่มันเต็มอยู่ด้วยอย่างเหนียวพาให้เกิดใจเจิดตายอยู่ตลอดนี่ที่มันถึงมีบุญมีบาปแทรกกันไปแทรกกันมาอย่างนี้ น, นั้นพ้นไปแล้วพูดท่านพูดไปหาท่านทําไมพ้นแล้วยิงย่งต้องพูดพวกนี้แล้วหาวิธีแก้ไขที่ มันสิ้นมันจูดลงไปจะไม่ต้องมาเที่ยวเกิดแก่เก็บตายอีกถ้าว่าแก้ไม่ได้เมื่อไรแต่เป็นอยู่นี้ตลอดไปเลยฟังแต่ว่าตลอดไปอ น, นมัติมักโออะไรอ น, นามัติมักโกท่านว่าไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเลยท่นานวางมันหมุนก็อยู่นี่เช่นเดียวกับมดแดงไตขอบโด่งท่านท่านเที่ยบปูมาไว้ว่าเหมือนมดแดงไตขอบโด่งอะไดูเอา มันออกไปทางไหนไม่เห็นทางออกมันวนไปวนมาอยู่นั่นแหละมันพลังเ น, นี่ยวัดตาบุกามาพโหรพโหร พ, รพรนี่เราขอบดงเหมือนขอบดงจัตต์ทั้งหลายหมุนอยู่นี่หมุนไปหมุนมาหมย่านี้ทางออกก็ตั้งแต่โซดาสกิทาอนาคาขึ้นไปละผลเป็นขึ้นมาละโสตะก็แปลว่ากระแสพาดพินแล้วกระแสแห่งความสิ้นทุกข์พาดพินแล้วยื่อีเรื่อดไป พระขั้นภูมิของท่านที่ท่านอยู่ก็ก็เป็นแล้วแลวหละยึดประเภทเหล่านี้กับเก้าข้อสูตอวิหาตะปาสุสสาสุาสีอัคนิธานผุทธมโลกห้าชั้นเรียวกว่าสุทาวาสห้าชันเป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์หน่อยสุทาวาส แ, แปลบริสุทธิ์คืที่ท่านคงจะหมายถึงเรื่องการมวิิเดช ไปให้บูิสุดจริจริงก็อวิชาปยาสังฆารัยังมีอยนี่ในกิจของห้าชั้นนี้ผู้ก้าเข้าสู่ห้าชั้นยังมีเป็นร ะ, ระดับแรกระดับสองระดับสามขึ้นไปเช่นวิหาตะปาสุราสราวฤสษีอาการกนิษฐานพอถึงขั้นอากานิษฐานแล้วก็ผ่านก้าเข้าขสู่นิพานนี่เป็นหลักธรรมชาติของกิจ ที่เป็นเองเมื่อถึงก้าวเขาถึงคันนี้แล้วเป็นหลักธรรมทาตของตัวเองเช่นเดียวกับผลต้นไม้ที่แก่แล้วจะสอยลงมาบม่มไม่บ่มก็ตามจะจะสูงโดยถ่านเดียวเท่านั้นถ้ายิ่งในบ่มก็ยิ่งเร็วอันนี้ก็ยิ่งในปฏิบัติดิ่งได้อุปลมในจิตที่ขั้นขั้นนี้ตั้งแต่ขั้นแรกที่ได้ระดับแห่งอนาคามได้รับการอบรมแล้วก็ยิ่งรวเดเร็วขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นสุดในชาตินั้นเลย ไม่ต้องไปรออยู่ในชั้นใดภูมิใดหรือพบแห่งอัคนีฐาพบกาต่างมันไปรอไม่อยู่ผ่านเลยนี่เพราะกได้รับการบ่มบ่มอินทรีย์คือการปฏิบัติอบรมตัวอยู่เสมออย่างนี้อย่างนักปฏิบัติ่ยคิดได้ถึงก้าถึงขั้นนี้แล้วก็เร่งความเพียนอยู่ตลอดไม่ปล่อยให้เป็นไปเองตามธรรมดามีการหมุนกันด้วยมีความเพียรด้วยหมุนกัไปด้วยก็เร็วึ้นเหมือนกับ แกแล้วก็ยังไม่แล้ ว, ลวสวยมาบ่มด้วยผลมไม้ก็สุกได้ง่ายได้เร็วกว่าอยู่กับต้นนะเป็นอย่างนั้นนี่นทางออกเมื่อกล้าคนนี้แล้วเป็นทางออกนั้นพอถึงโสตะแล้วก็เลื่อยเรื่อยไ ป, ไปสกิธาอนาคาอารหัตภูมเต็มภูมผ่านมันรู้อยู่ในหัวใจนี่เนี่ยผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่รู้ สันติโกผู้ประกาศกลางวันล้าสมัยที่ไหนเอาลงไปี่ปการปฏิบัติการปฏิบัติของเราไม่ล้าสมัยผลจะไม่ล้าสมัยจะเห็นชัดเจนขึ้นมาแ ล, แล้วพระพุทธเจ้าจะเหมือนกับว่าประกาศกลางวันอยู่ต่อหัวใจเราอยู่ยในพัดไทยเราหันเลยพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันคือความจริงพระพุทธเจ้าประกาศว่าอย่างนี้นี้เมื่อนรู้ความจริงขึ้นมาเหมือนว่าพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจเรานะันนั่นความจริง เียผ่านนี้แล้วมันหมดนี่ว่าหมดเขาเอาล ะ, าละพุชธะพิดัเอ